แตมาทีหลังทั้งทั้งที่รักเธอแ็่มาทีหลังและเขาก็รักเธอฉันไม่อาจถามใจยังไงก็ไม่ไหวฝืนทนอยู่รับความจริงไปอย่างนี้ แน่าจะรู้ว่าเธอนั้นมีใครมาก่อนหน้าฉันกับเธอจะพบกันฉันรู้ดีกต่ใจมันจะลงเอยอย่างไรแต่เธอรักเธอต้องรอ จนกว่าเขาทิ้งเธไปแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนต้องยอมให้เขาก่อนต้องยอมให้เขาได้เธไปยิ่งต้องรอก็ยิ่งปวใจยิ่งต้องรอก็ยิ่งต้องทน น่าจะรู้ว่าเธอนั้นมีใครเมื่อก่อนหน้าฉันกับเธอจะพบกันฉันรู้ดีกับใจมันจะลงเอยอย่างไรแต่ถ้ารักเธอต้องรอ รอจนกว่าเขาเบื่อรอจนกว่าเขาทิ้งเธไปแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนต้องยอมให้เขาก่อนต้องยอมให้เขาได้เธไปยิงต้องรอก็ยิ่งฟัวใจยิงต้องรอก็ยิ่งต้องทนเห็น เขาทิ้งเธไปแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนต้องยอมให้เขาก่อนต้องยอมให้เขาได้เธไปยิ่งต้องรอก็ยิ่งกลัวใจยิ่งต้องรอก็ยิ่งต้องทน ัวใจยิ่งต้องรอก็ยิ่งต้องทนทนเห็นภาพ่าใจ Back up.